ع و ح ب ا لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل صلاة وسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ل ذ ا مجلس علمي ترعوه لم ي و ق ت رب م ب ر د برج الله سبحانه وتعالى د ي روم توكن แม้ว่าไม่สัมผัส เ, เรื่องร่างแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเช่นเคยเาตามมาซีฟตามสถานที่ที่เราได้เคยจัดการบรรยายจัดการเรียนการสอนแต่เราก็ยังสามารถเห็นภาพแล้วก็ฟังเสียงและกเรียนความรู้วิชาการ อันเป็นประโยชน์สำหรับสัทธาชนประโยชน์ที่จะทำให้พวกเราเสริมสร้างกำลังให้ชีวิตของเราได้มีโอกาสาที่จะต่อสู้กับอุปสรรคอดทนกับบททดสอบทั้งหมดนี้ลัชบานวุวตาแล้วก็ยังให้เราได้มีโอกาสทบทวนตัวเอง และความรู้ที่พวกเราได้มาทบทวนพร้อมพระดำรัสของพระองค์นั้นย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่อัลล์ฮุ س ب าน ن ه แวนะ تعالى ให้แก่ผู้ศรัทธาในเมื่อชีวิตของเรายังมีลมหายใจยังมีวิญญาณที่ยังวิ่งอยู่ในร่างของเรายังมีโอกาสที่จะใช้อวัยวะสัพยากร ชายคุณสมบัติทั้งหลายที่อัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه และก็ต้าเาได้ใส่ไว้ในตัวเรานั้นให้ใครีครวญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาและหัวใจอัลกุรอานนั้นก็จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับผู้ศรัทธาในยุคที่มีวิกฤตยุคที่มีบททดสอบวิกฤตที่มีมุสีมะพระดำรัตุอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และก็ต้าจะเป็นทางนําสําหรับ อุ้ศัทธาทุกคนวันนี้เราจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องอธิบายความหมายอัลกุรอานสุรกอัลอาอารซึ่งอยู่ในช่วงท้ายๆของสุระและก็หวังว่าครั้งนี้กับครั้งหน้านะครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอน ก็จะมีมจัจลิซัยลีนะครับอินชอนมะถ้าตามกำหนดแล้วก็ผังริดการถ้าถ้าไม่มีนะครับสองครั้งนี้นะครับในเดือนชอบบานเนี่ยก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะจบความหมายอันกุรอานของสุระอัลอาลาฟให้เรียบร้อยอินชอนมะช่วยกันขอดูอ่านนะครับซึ่งในท้ทยสูร้อยอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้อง ว่ามันเป็นช่วงทีเ่เรียกว่าบทสรุปให้หลังที่อัลลอฮสุบฮนานาอาได้เล่าเรื่องราวของบรรดาณบีราะซุลทั้งหลายที่พระองค์ส่งไปยังประชาชาติทั้งหลายและได้เล่าเหตุการณ์การที่สนาและการต่อตอประวัง นบีและก็กลุ่มชนมขนองเขาซึ่งทั้งหมดมีบทเรียนมากมายนะครับที่เราได้ได้อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องราวระหว่างบรรดานบีราะซและกลุ่มชนของเขาเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชาติยุคหลังก็คือก็คือตัวเราว่าเหตุใ ด, ดที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอส่งบรรดาอบีรสูซุนมาเทศนามาสั่งสอนมนุษ ในยุคนั้นแล้วก็ประพิีการโต้อตอบการสนทนาระหว่างนบีระซูลและกลุ่มชนเหล่านั้นซึ่งแต่และอย่างที่เขาโต้อตอบกับบรรดานาบีระซูลเนี่ยก็จะพบมันเป็นคำตอบคำโต้อตอบหรือคำสนทนาระหว่างระหว่างคนในยุคปัจจุบันกับคำสั่งสอนของศาสนากับคาดำรงพรองค์ล่าสุดอัลอ ดังที่อาม่าได้กล่าวในสุรษะดาริยาบบอกว่าอัตาวะสูบีทำไมเขพูดกันพูดเหมือนเหมือนกันเลยสมัยท่านนาบีนะก็พูดเหมือนสมัยท่านนาบีมูซาพูดเหมือนสมัยท่านนบีนัวพูดเหมือนกันคําโต้ตอบและคําสั่งสอนที่มันก็เป็นคําสั่งสอนเดียวปัญญาหรือตะ ก, กะของคนที่จะปฏิเสธนะันก็เป็นก็เป็นปัญญาเดียว ก็คือคนที่จนปัญญานั่นแหละไม่มีอะไรที่จะโต้อตอบจึงมีคำตอบเดียวกันอัลลอฮ์าณ ح ا ن ه และอาลัาก็ได้เล่าคำตอบของเขาเอา่อที่เกิดในอดีตมาให้เราได้ฟังเพื่อได้เป็นอุทาหรณ์และสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับอัลลอฮ์บ ب ح ا ะอาลาให้เรื่องราวของบรรดา น, นาบีรสูลมาเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนิยายไม่ได้เป็นนิทานเอ่อให้ฟัง แล้วก็สร้างความบันเทิงความสนุกสนานอย่างอย่างที่บางคนเข้าใจนะครับใช่เอออีอ่าในเรื่องราวของคนรุ่นก่อนโดยเฉพาะบรรดา ر س ูลที่นาคำสั่งสอน ما قال وما بوقف بشار شنخ هؤلاء مي ع ب ر ة مي أتهون لأن سورة الأعراف يا م ل الله سبحانه وتعالى كبر ق ص ص القصص فقصص ا القصص لعلهم يتفكرون ا ق ص ص القصص لعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى د ي ج و ا ดังนั้นจงกล่าวดังนั้นเจ้าจงกล่าวเรื่องราวเหล่านี้เถิดเผื่อว่าพวกเขาจะได้ใคร่ครวญเจ้าจงจงบอกจงเล่าเรื่องราวอุลามะได้บอกว่าอัลกุรอานนี่มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่เป็นเรื่องราวของบรรดาอบียร์สูลกับกุมชนของเขาถ้าเไราได้พิจรารณาอัลกุรอาน โดยรวมนะครับมีอยู่หกพันกว่าอายะนับเป็นพันอายะนะครับที่มีเรื่องราวของบนานารรดาอบีรัสูดเราไม่สามารถที่จะมองอันกุศลนั้นเป็นหนังสี่นิทานเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องของนักประพันธ์ที่เขาเล่าประวัติศาสตร์แล้วก็มีต่อเตมมีการมีการใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกหรือมีการบิดเบือนตามความต้องการ ที่ละสุหานอวดาละเล่ามาล้วนเป็นความจริงและก็มีบทเรียนสำหรับปัญญาชนฉะนั้นเราไม่ควรที่จะพลาดไม่ควรที่จะพลาดให้เรื่องเราวน้นสุรษะอาราบนี่ื่เป็นติวัลสุรเป็นบรรดาสุระยาวบรรดาสุระยาวเนี่ยถูกเรียบเรียงในช่วงแรกของอัลกุรอาน سورة البقرة العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف ياد سدله لنتكسور ا ل ع ر ب نكذمي ا ل أ ن ف ا ل التوبة ي ن م ن ن ن و ع ا ل م ئ ي ن كأي آ ي ك ن ا ل م ي ن ا ا ن ي ة ا ن ا ل م ئ ي ن م ا ب ل ا ل م ئ ي ن م ِ ه ا ا ل ا م ي ه ا ل و ا م ئ ي ن م ا ا ي ن ن ب ا ي แต่ก่อนนี้ก่อนแนี้เนี่ยก็นับเป็นสองรอ้ อ, ร อ, งรอยเอียงเสื้ออาราบีสอเป๊ะเลยแต่ส0งร้อยนี่มีบางอายนยาวมากเป็นสุราที่ยาวมา ก, า ม, ากมีเรื่องราวมากมายของบรดานนบีุลรษุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ, เรื่องราวของท่านนบีมูซาตอนท้ายสุราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮฺร์ราวะต้าล่ได้มาสรุปบทเรียนต่าง วันนี้ก็จะมีบทเรียนมากมายที่จะมามาเล่ามาบอกกับพี่น้องนะครับให้พวกเราได้มีอุทาหรณ์กับสิ่งที่เราได้ศึกษากันมาแล้วเริ่มด้วยอายะที่หนึ่งร้อหนึ่งอสิบจนะครับอย่างที่อนุ น, นได้บอกว่าอุทาหารณ์เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาใคร่อควรนะนะอมอุปมาก็เหมือนสุนัขท่าของสุนัขนีจะแลบลิ้น แลบลิ้นลิ้นห้อยมันจะวิ่งเหนื่อยมันก็เลบลิ้นมันไม่วิ่งมันไม่เหนื่อยมันก็เลบลิ้นเหมือนกันเช่นเดียวกันคนที่ไม่ใช้ปัญญาใคร่ครวนสภาพของเขาหัวใจของเขาสมองของเขาเนี่ยก็จะเสมอเสมอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ศรัทธานี่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาเนี่ยดการใคร่ครวนหัวใจและสมองของเขา จะนำอุทาหรณ์จะนำบทเรียนเหล่านี้เนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตของเขาเนี่ยอะไรที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีการปฏิเสธก็เปลี่ยนเป็นการศรัทธาความชั่วร้ายก็เปลี่ยนเป็นคุณธรรมการที่บริหารเวลาทรัพยากรความปรดปราร์เมลเมตต่างๆอย่างไรประโยชน์อย่างไรสาระเนี่ยก็กลับมาบริหาร ให้มันตรงกับวตรุประสงค์ทียมพระสุหานอวดาล์สร้างไว้ทั้งหมดนี้ได้มาจากอะไรครับจากการใครียครวนจากการใช้สติปัญญาดังนั้นอัลลอฮฺอานอวดาล์บอกว่าเป็นอุตาหรณ์ที่ไม่ดีเลย say اما سلٰم القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا ي ظ ش ش ي ل ل ٰ م เป็นตัวอย่างที่ชั่วช้าจริงที่ผ่านไปแล้วนี่ได้แต่เรื่อง ชั่วชาชั่วร้ายของคนที่ปฏิเสธคําสั่งสอนของบรรดานับีิลละวรุณอัลลีฮิกับระบุบิอัยยะที่มาผู้ชนที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเขาบรรดาองค์การของเราแทนเานี่กัะเบบุบิอัยยะที่มาองค์การของเราแล้วก็ตัวของพวกเขานั้นตัวของพวกเขานั้นเองพวกเขาอธรรมกันอยู่ อาจทำตัวพวกเขาเนื่องจากปฏิเสธองค์การของเราองค์การาาอัลลอฮฺสุฮาห์นอูดาอัลลอฮฺสุฮาห์นอูดาลจะไม่รับความเสียหายถ้ามนุษย์ทั้งหลายได้ปฏิเสธองค์การของพระองค์พระองค์นี้ไม่ได้ไม่ได้ประธานลงมาซึ่งอันกุศนเพื่อประโยชน์ให้แก่ตัวพระองค์ท่านแต่ให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งหลายฉะนั้นใครที่ปฏิเสธเนี่ย قثوا أتهمتهم وأنفسهم كانوا يظلمون من ي ه ب د الله فهو المهتدي وما يدلي ا ل ف ل ا ئ ك ه م ا ل خ ا س ر و <تصفيق> ن أيان جميع القرآن ماك ماينك ت م ي باي من ي ه ب د الله فهو المهتدي. ُ و َ ا ل ْ أ َ ل ْ ت َ م ْ ن ه و ت ِ ا ل ل ْ س ُ ن َ ن َ ت ْ ن َ م َْ و ََ م ْ อดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่กล้านะครับมีบางอาจที่จะบอกว่าผิดนะครับแต่มันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงนัก เ, เพราะประโยคนี้มันก็ประโยคเดียวอัลลอฮฺสุบัานะว่าตาอัลลบอกว่าไม่เลอกดิลเลฟะฮุลหมุตเดีคือผู้ใดที่อัลลอใช้ฮิดายาะคนเหล่านั้นมันก็จะเป็นคนที่มีฮีดายะ พอเลาเขาประมาณแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยผู้ทียนเราทรงแนะนําคือให้ทางนํานั้นเขาก็เป็นผู้รับคําแนะนําก็แน่นอนคนที่ได้รับคําแนะนําก็จะเป็นผู้ที่รับแนะนํามันก็มันก็เป็นประโยคเดียวแหละแต่ความหมายของอายานี้ผู้ที่อัลลอฮฺให้ทางนําอะผู้ที่อัลลอฮฺได้ประทานกุรานประทานคําสั่งสอนและเขาได้ใครครวญ แล้วได้ปฏิบัติตัวตามคําสั่งสอนคนเหล่านั้นนะ่ะที่จะอยู่ในทางนํานะครับอันนี้คือความหมายของอัยยะแต่คําแปลหรือคําอธิบายความหมายที่อยู่ที่อยู่ในในหนังสือความหมายกูตอ่านนี้ก็อาจจะอาจจะทําให้บางคนบอกว่ามันก็เป็นประโยคเดียวมันมีประโยชน์อะไรนะครับคือในภาษาอับดับเนี่ย <c oughs> การอธิบายเนี่ย จะลึกซึ้งกว่าคำาแปลเป็นภาษาไทยฉะนั้นเราก็ต้องขยายความเพราะความหมายคุรอ่านภาษาไทยจะเป็นเรื่มนี้หรือเร่มอื่นนะครับส่วนมากก็ก็จะแปลคำต่อคำอะไม่ได้ขยายความหมายมากและเราก็รู้กันนะครับว่าอัลกุรอ่านเนี่ยเป็นคำศัพท์สูงมากเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายที่ลึกซึ้ง มีความหมายที่สามารถขยายได้เยอะนะครับแต่พอมาแปลคาเป็นคำเดียวก็อาจจะดูเหมือนว่าเออมันก็ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความหมายที่ที่ที่มากมายนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นความหมาย <c oughs> มันเป็นความหมายที่ที่ต้องอธิบายได้นานแต่เยอะกล่าวคือไม่อง่ดินแลหุผู้ใดที่อัลลอฮฺฮีดายะเขานี่ก็คือ คีย์เดยะประธานประธานทางนำส่งกุณอ่ า, านไปให้เขาทรงหลักฐานไปเขาเขาก็ใช้สมองพอใช้สมองแล้วเนี่ยเขาสมองตอบรับพอสมองตอบรับแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในทางนำนะครับแต่พอเราจะอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆผู้ที่อัลละฮฺทรงเลดนำ เขาก็เป็นผู้รับคำแนะนำก็มนมันดูเหมือนว่าไม่มีความหมายเพิ่มเติมแต่ความหมายเพิ่มเติมนี่ถ้าเราขยายมากกว่านั้นเราก็จะเข้าใจนะครับเพราะการที่อัลลอฮแนะนำนี่ไม่ใช่เหมือนไม่ได้เหมือนการที่เราได้อยู่ในทางนำตามขั้นตอนอที่เราจะเข้าใจนะครับจากหลักการศาสนาว่ามิยุบเนิร์ฟอุลอัยกะฮุมุลข้ซิรุลและผู้ที่ประองทรงปลอย ให้หลงผิดว่าไม่ยุบลิลผู้ที่พระองค์ทรงปล่อยให้หลงผิดนั้นชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่ขาดทุนปล่อยให้เขาหลงผิดคันแปรนี้ดีมากนะครับคืออัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้เขาหลงผิดนะอัลลอฮ์เขาปล่อยให้หลงผิดเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ให้ข้อแนะนําอัลลอฮ์ให้กุรูอ่านไปแต่เขาเนี่ยไม่เคยครควร ไม่ใช้สมองไม่ใช้สติปัญญาเขาเลือกที่จะปฏิเสธเลือกเปเมื่อก็ป่อยเขาเลือกเลือกแล้วใช่ไหมนี่ทางน้ำอยู่ตรงนี้ทางหนออยู่ตรงนี้เหมือนเราเดินทางก็มีลูกศรเราจะไปสมุดปาการก็มีลูกศรกับสมุดปะการไปตรงนี้แล้วก็อีกลูกศรนั่น่็ไปพิสมุโลกคนละทิศกันเลย เราจะไปสมุดปากการแต่พวงมาลัยนี่เลี้ยวไปสมุรมนก็มีลูกสอนบอกว่านี่เป้าหมายของคุณมาอยู่นี่คุณอยากได้ดีไหมคุณอยากได้ใดได้ไหมอยากได้จนันทร์ดำไหมไปตรงนี้เราเลือกเองนะครับเลี้ยวเองเพราะเรารู้นะครับว่ารถนี่มันไม่ได้บังคับให้เราพวงมาลัยนี่มันไม่ได้บังคับเราเลียเเเล้ยวเองเราเลือกเอง ไม่ยุติาอรกะหูขาสิุแล้วเขเลือกแล้วว่าครขาดทุนล่ะก็เหมือนอะก่อนก่อนนี้อายะหงสิบเจ็ดว่าสมกเว่าขานี่อาตัวเองอายะนี้เจ็สิบแปดฝ้อุไรกูลข้าสิรุชนเหล่านี้แหละพวกเขานี่คือผู้ที่ขาดทุนเขาค็อตัวเลไม่ขาดทุนคนที่ขาดทุนนี่คือคนที่เลือก เลือกที่จะหนงผิดเพราะทางนํานี้ยอัลลอฮสุบฮานาอูตะลาแนะนำแล้วดังนั้นจากสองอายะนี้เราจะเข้าใจว่าอัลลอฮสุบฮานาอูตะลาได้ประทานทางนาให้ทุกคนเพราะองค์มีไม่ดีอารรมเพราะองค์ไม่ไี้ปกปิดเพราะองค์ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับรู้สัจธรรม และมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนจะใช้สมองตัวเองอันที่จะนำไปสู่จุดของการเลือกว่าจะไปทางที่ถูกหรือไปทางที่ผิดดังนั้นถ้าใครจะเลือกไปทางที่ถูกอันนั้นอัลละฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีไงใครเลือกจะไปทางนี้ไม่ไม่ถูกอัลลอฮ์ก็จะอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนตามตามสิ่งที่เขาเลือก ดังนั้นใครจะไปสิ่งนีอ่ะไปสวรรค์แต่ใครจะเลือกผิดก็ไปนรกคนที่จะไปสวรรค์ไปนรกเนี่ยอันนี้เป็นผลของใครผลการบังคับของอัลลอหรือเป็นผลเลือกของเราผลเลือกของเราอันนี้เราได้มาจากสองอายะนี้ขอมาอายะถัดมาอายะหนึ่งไเกาอลลอุบฮานะวะะลาบวะนละารมาลิเจฮันนมะ كثيراً من الجن والانس และแน่นอนเราได้บังเกิดสําหรับยาห์นนำคือนรกเนี่ยยาหันนำสิ้นมากมายจากยินและมนุษย์บังเกิดมากมายยินและมนุษย์ในสําหรับยาห์นนำสำหรับนรกเนี่ยก็ไม่ได้บังเกิดหมายถึงว่าอัลลอฮ์สร้างให้ยินแล้วก็มนุษย์กลุ่มต้องเข้านรกไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างเขามาแล้วก็ให้ทางนําเขาไปส่วนเขาเนี่ยใช้สติปัญญา ใขาควรจะเลือกทางไหนที่จะไปสู่นรกนั่นก็เป็นผลงานของเขาเราต้องเขาจะอาย่นี้แบบนี้นะครับโดยที่พวกเขานะอธิบายว่าแล้วล ท, นำนทำไมคนณหลงล่ะอัลลอฮฺให้ตั้งน้ำแล้วไงทําไมคนณหลงอ่ะผลที่มันเกิดมาทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะทางสมุดรประการไปแบนี้สนุนุกไปแบบนี้แล้วเราจะไปสมุดประการจะอยู่ดีๆไปเจอตัวที่เป็นสุนุกเอา้า เจอตัวที่เป็นสุนัขเขีย่ยมาถามคนอินน่ะแต่ตัวเองเป็นคนขับรถไงตัวเองเป็นคนจับพงมาเลยไงอันนี้จะเรือะไรโดยที่พวกเขามีหัวใจซึ่งพวกเขาไม่ใช้มันทําความเข้าใจและหุ่นตูนุ้นมีหัวใจหัวใจในคุตตานนี้ก็หมายถึงสมองด้วยนะครับนีหัวใจไม่ใช้ในการสร้างความเข้าใจยึกกวู้นะ่ะยึกกวู้นะ่ะ يفقهون بوا بوا ب خو تعي ع ن د م بيصل الله سلم عليه ا ب ي بخاري لمسلم ليقوا ما يريد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين و د ا ي ة لبرة ع ب ي ط خويا ك ه ي خوني خو تعي س س ن ا ن ي خو تعي سسناه ا ن ه ما يصير بانه ي س ل و ن ا كده ا ش ا ي ولا عنك ان خو تعي سسنا รายการต่างๆในไว้เชิญไม่ออกรายการต่างๆในในถึงจะช่องทีวีต่างๆที่จะสร้างความเข้าใจให้เราได้เข้าใจศาสนามากขึ้นเข้าใจคําสั่งสอนของเรามากขึ้นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นบทบาทถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ในการที่จะหาทางนําให้ตัวเองใช้สมองใช้หัวใช้หัวใจในการสร้างความเข้าใจเรอะไยซีุมิฮ พวกเขามีตาสิ้นพวกเขาไม่ใช้มันมองมองไม่ใช่เองนะไม่ใช้ไม่ใช้ตามันมองนะครับเนี่ยไม่ใช้ตามันมองไม่ใช้ตาของเขาเนี่ยในการมองมองอะไรอะ่ะมองความจริงและศัตรธรรมเกือเหมือนเห็นลูกศรไปสนุโลกลูกศรไปสมุดประกาศก็ ก็ตาก็เห็นเหมือนเห็นหอนอ่านอ่านออกนะครับสมุดปากกาอ่านออกไหมที่สนุกอ่านออกแต่ทําไมถึงตามันให้เราได้เขวละ่ะเพราะเราไม่ได้ใช้ตาให้ถูกต้องกี่มากน้อยกี่มากน้อยคนที่อ่านหนังสือและไม่ได้ประโยชน์กี่มากน้อยคนที่ศึกษาแล้วไม่ได้ประโยชน์พี่น้องเจอไหม คุณหมอที่สูบบุหรีเจอปะมีแล้วก็หมอหมอนี่รู้ดีที่สุดเลยอย่าว่าบุดีนี่มันอันตรายขนาดไหนแล้วหมอไม่เรียนรู้นะมันมันก็อีรอบเดียวกันนี่แหละอ่านกุรานรู้หลักการเห็นเห็นอ่านเห็นเห็นอ่านแต่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ยุ่งซีโรน์บีฮะ ولا يُأذان الناس معونا بها سن لا และพวกเขามีหูหูก็มีนะฮู้หูก็มีจะได้ฟังอ่ะนะแต่พวกเขาไม่ใช้มันฟังคือเขาได้ยินน่ะแต่หมายถึงว่าไม่ได้ใช้ฟังความจริงและศัจธรรมนี่นะฟังฟังกุษอนันแต่ศัจธรรมที่มันจะเข้าทะลุไปถึงหัวใจในอันนั้นอันนั้นนไม่รับไม่อยากได้ยินไม่อยากพบอุไรกับกัรอ่นอม้มชุนเหล่านี้แหะ พระเด็นปะสุสัตว์ทำไมอะปะสุสัตว์มันก็มีตามันก็มีสมองมันก็มีหูแต่ปะสุสัตว์นี่มันไม่สามารถที่จะหาทางนำของมันเองได้ใช่แต่เท่านั้นบรรหุมอวบใช่แต่เป็นปะสุสัตว์อย่างเดียวไหมไม่พวกเขาเป็นผู้หลงผิดยิ่งกว่าเพราะปะสุสัตว์นี่มันไม่มีศักยภาพใครครวนเหมือนมนุษย์ มนุษย์มีสมองที่สามารถบุรณะบริหารโลกนี้ทั้ป้วงมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะขี่อูดขี่ปะสุสัตว์นี่แหละขี่ช้างอ่ะตัวขนาดไหนอ่ะแล้วแต่ช้างมัมีศีรษะของช้างนี่มันขนาดในสมองมันขนาดใหญ่กว่ามนุษย์นะและ้วก็ศีรษะของมนุษย์มนแ่มีสมองนี่เล็แค่นี้แต่ทําไมมนุษย์สามารถขี่ช้างได้ ถ้าไม่ช้างมันไม่สามารถมาบริหารสังคมมนุษย์ได้ทั้งนร้่องหัวมันมันใหญ่กว่าตัวมันก็ใหญ่กว่าสกิลภาพของมันไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์มัมีสกิลภาพมากกว่าถ้าไม่ใช่ละ่ะมันก็หลงยิ่งกว่าปลาสูสัดปลาสูสัดไม่มีสกิลภาพแต่เรามีสกิลภาพและก็ยังหลงอีกว่าแต่ว่าถ้าจะยุดตัวอย่างนะครับก็เหมือนคนคนหลงนี่แหละถ้าเห็นลูกศรไป สมุดประการอีกครั้งหนึ่งไปสมุดประการแล้วก็ลูกสอนไปที่ส น, น, น, นอรวกตัวเไปไหนนะไปสมุดประการคือยังไม่เชื่อนี่ก็เลยปเปิด g b s นะ g b s ก็บอกว่าอีกสองไรเมตรเลี้ยวขวาไปสมุดประการได้ยินไหมนะได้ยินได้ยิน TBS รึเนะแล้วก็เห็นลูกศอนี่นะแล้วก็ดูแผนที่ชัดเจนเลยนะแต่ก็ยังเลี้ยวไปก <laughs> ็ยังเลีย้ยก็ยังฝืนตัวเองก็ยังฝืน คำยาของตัวเองปราถนาของตัวเองนี่แหละครับมันก็ช่วยไม่ได้อูนาอิกาฮุมุนฮอฟิลูนชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่เผอเรอือเผอนี่นิดนึงทีมงานขึ้นขึ้นง้นิดนึงพวกเขาเนี่ยคือผู้ที่เผอเรอืเอเผยเรอไม่มีมีลอนิงนะ ที่ตัวกล้องนี้ไม่มีลออริงเพอเหรอคือไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองต้องใส่ใจอันลอฟิลูนเหมาะเจาะนะครับกับคําไม่มีลออริงนะส่วนมากเขาจะเขียนผิดเพอเพอเหรอไม่มีลออิงอนฮอฟิลูนก็คืออะไรที่ต้องใส่ใจลูกศรนีต้องใส่ใจไหมมีประโยชน์ g p s ที่เปิดไว้ต้องใส่ใจไหมต้องใส่ใจอันนี้ไม่ใส่ใจเลยนะ เลือกในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเผอเรอโอน่าอิกาฮุมมอนรอฟิลูนและนี่ละครับเมื่อมีเครื่องมือเมื่อมีอุปกรณ์ทรัพยากรที่อะไรให้มาแต่ไม่ได้ใช้โดยเฉพาะสมองและหัวใจไม่ใคร่ครวเอวัยวะมากมายให้มาไม่ใคร่ครวนมันไม่เกี่ยวกับว่าอวัยวะนี่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะเพราะคนตาบอดเนี่ยบางทีเนี่ย บางทีเนี่ยมีคุณธรรมมากกว่าคนที่ตาสว่างนีดู standen. ดีคนที insight, ่หูดวกนี <us <us ่บางทีมีคุณธรรมมีสีหน้าแต่มากกว่าคนที่หูเนี่ยดีมันไม่ดีมันไม่ีอยู่ที่อวัยวะที่สมบูรณ์นะมันอยู่ที่ว่าเราใช้ปัญญาของเราในการเครยครัวหรือเปล่าอะซลาฮฺอัลลอฮฺอะลัยฮิวะร์รัดถุลซิชชัมสะเตมตาน พระลูกสุภานวดาเลยได้เล่าถึงประชาชายุคก่อนที่ส่ง บ, นนบรรดาอบบรอซุนพร้อมพระดํารัสคําสั่งสอนของอัลลอฮ์ Allah, แล้วก็กลุ่มชนเขาปฏิเสธแต่นระลูกสุานวดาในยกอุทาห์นี้ให้เราได้ได้เห็นภาพว่าอวัยวะของเราเนี่ยเป็นตัวแปรสมองของเราหัวใจของเราเนี่ยเป็นตัวแปรนะครับเช็คชื่อุทาห์นี้เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เยมนีบานวดาเรากำลังสั่งสอนให้เราได้มีบรรยากาศในการไข ค, ควรบททดสอบโรคระบาดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะไข ค, ควรมันเป็นโอกาสที่จะพิจรารณาโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมนุษย์เนี่ยเขา อ, อยู่กันยังไงประเทศมหาอำนาจฮะ เรื่องสิ่งอบายมุกทั้งหลายผมผมมีมี ม, ม, ม, ม, มีตัวอย่างยึดนะครับแต่กลัวจะเสียเวลาประเทศมหาอำนาจที่บริหารโลกบริหารมิดเงินโดยไม่ชอบย อ, อย่างเงี้ยดูสิเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงสิ่งอบายมุกกีฬาที่มันทำให้มนุษย์เนี่ยหลงตามสิ่งไร้สาระมวยเอ บอลเอ้หรือไอไไอไความบันเทิงและเล่นทั้งหลายเนี่ยการพ น, นันอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยดี๋ยนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกงดไปหมดเลยนะครับถูกงดไปไมีความจำเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทาให้แพร่เชี้การชุมนุมของคนเนี่ยมันทําให้แพร่ชี้อและเราจะหันมาัว ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เราได้ใครัควนตัวเองหรือโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยบททดสอบที่อัลลอ์ส่งมาซึ่งในคุอานนี้ก็มีบอกไว้ประชาชาิยุคก่อนส่งคำสั่งสอนให้เข้าใจดีๆไม่เข้าใจสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องลงโทษจะเป็นฝนตกบ้างจะเป็น จะเป็นก้อนหินบ้างจะเป็นการแช่งบ้างรถพาหนะแล้วก็จะมีหลายทีในการที่จะให้บังคับให้เราใครควรที่สุดเนี่ยเอาเราต้องการให้เราใครควรและสุดท้ายการตักตัวอยู่บ้านเนี่ยเวลาว่างอย่างเงี้ยงานที่มันมีความสุขมากที่สุดนี่คืองานสมองฉะนั้นเราจะเห็นว่า คนที่เขากักตัวอยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยที่สุดของเ้านี่ก็มีแต่มีแต่เต้นทํากับข้าวอยู่วีวันก็มีแต่ทากับข้าวแล้วมนุษย์ไม่มีแค่นี้เหรอเรานี่มีร่างกายสวยงามงดงามมุ้ยจะได้ถ่ายตอนเต้นแล้วก็โพสให้คนได้เห็นแนมะ้ว่าเราอยู่ในบ้านถูกกักตัวเนี่ยก็มีแต่เต้นใช่ไหมหรืออยู่แต่บ้า น, นก็ได้ทํากับข้าว ทุกวันทุกคืนก็ทำกับข้าวแล้วกับโภชแค่คนเรามีแค่นี้เหรอมนุษย์่มีแค่นี้เหรอแล้วผลงานของนี่แหละของสติปัญญาของหัวใจนี่ของมันสมองนี่ผลงานนี่มันอยู่ไหนเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นิวตินนิวนิวตันหรือภาษาไทยนี่ครนักวิทยาศาสตร์ของของอังกฤษะนะที่เขา ร่างทฤษฎีของแรงดึงดูดของโลกเนี่ยเกิดกดเกิดตอนไหนอะเกิดตอนโรคระบาดที่อังกฤษเขาทดมองอยู่ใน ส, สวนหน้าบ้านเนี่ยมีต้นต้นแอปเปิ้ลพอต้นลงมาเนี่ยโอเกคก็เล่งคิดใครครวรก็เลยก็เลยทาสม ก, การเกี่ยวกับเรื่องแรงดึงดูดนี่คนเคาใช้สมองอะ คนเขาใช้สมองอะใช้ประโยชน์ของสมองให้ให้มีประโยชน์ส่วนส่วนรวมของสังคมทั้งหมดอัลลอฮฺสุบฮฺรุวาตฮอะลต้องการให้มนุษย์เนี่ยได้ประโยชน์ที่ยาวไกลกว่านั้นนั่นก็คือประโยชน์ที่เราจะได้ในโลกหน้าทั้งนี้มนุษย์เนี่ยก็อาจจะ บุกร่องหรืออาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยเสียโอกาสหรือพลาดในการที่จะไขควณในการที่จะใช้สมองใช้หัวใจเราจรึงจึงต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะอูตานอันลลอฮฺก็เลยให้พวกเราเนี่ยไม่ลืม ความเมตตาของพระสุภานุวตาแหละที่จะยืนความช่วยเหลือแต่เราต้องขอความช่วยเหลือจะมายัางไงอ่ะนีชาวบ้านเนี่ยก็ต้องบอกรัฐบาลต้องบอกคนที่มั่งคั่งโอ้เราเราเดือดร้อนเขาถึงจะช่วยเหลือแต่เราจะอยู่ในบ้านแล้วก็เดือดร้อนไม่บอกใครว่าเราเดือดร้อนแอาละก็คนเขาจะรู้ยังไงอ่ะแต่พระสุภานุวตาเราทรงรู เพระองค์ต้องการให้เราได้ขอความช่วยเหลือพระองค์จริงบอกว่าว่ลิลลาะหลอสมาอุนฮุสนะฟะดูรูบิฮะและอัลลอฮนั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงามอัลลอฮมีพระนามอันสวยงามดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกหาก็หมายถึงว่าจงวู้รจงขอดูอาด้วยพระนามของพระสุภาพรัวตาน เมื่อวานนใ น, ในาการไอาบาด้าที่สวยงามนี่ผมได้พูดถึงเรื่องวซิลและตะวสุลสสการขออุอาด้วยคุณงามความดีที่เราทําในวันนี้นะครับบริการไอาบาด้าที่สวยงามช่วงสี่โมงเนี่ยสี่โมงเย็นเนี่ยก็จะพูดเรื่องออการขออุอาด้วยพระนามของพระสุภานุวตาอันนี้อันหนึ่งนะอธิบายนิดหนึง่งและวก็การขออุอา ด้วยการขอให้คนซอนแรกที่มีชีวิตเนี่ยขอดูอาให้เรานะครับพี่น้องท่านติดตามนะครับวันนี้ช่วงราการรายการไอบาไดา้ที่สวยงามประมาณสี่มงเย็นนะครับจะพูดถึงเรื่องวซีละสองประการนี้ในเรื่อนี้อัลลอฮฺพูดถึงเรื่องกันให้เราเนี่ยอย่าย่าหุดกับความบกพร่องอย่ายุดกับควา ม, า ค, วามความชักเช้าของตัวเอง ถ้าเรารู้สึกว่ามั น, มนไปไม่ได้อะนะขอฟัดงดูบิฮาจงอุวอนขอต่วบีพระองค์แล้วและเราจะเห็นผลของพระนามนี้ทำไมอ่ะเพราะพระนามของอัลลอฮสุลฮนานุวะตาลามีมากมายอุลมามบางท่านบอกว่าจากอัลกุรอานและฮะดีษเนี่ย <c oughs> มีคุณลักษณะและพระนามของอัลลอฮฺสุบไบร์โน่เจริญเกือบหนึ่งพันพระนามและคุณลักษณะแสะดงว่าอัลลอฮฺสุบไะร์โน่เจริญเผยให้เราได้รู้จักพระองค์ด้วยพระนามและคุณลักษณะศีลาพของพระองค์เนี่ยอย่างมากมายไม่มีโอกาสที่เราจะหาว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮฺเราไม่รู้จะไปหาอัลลอฮฺยังไงนี่ เราจงศึกษาพระนามของเรารู้ว่าพระนามนี่เป็นแลเราจะเห็นผลของ ม, มันเห็นผลคงระนายมูลอสุฮานะตาลาอัลลอฮ์ฟอัลลอฮ์ฟผู้ทรงปรานีความหมายของอัลลอฮฟเนี่ยพระนามเราพระนามผู้งปราณีอย่างละเอียดไม่ใช่ ป, า ร, านะปรานีธรรมดานะประนีอย่างละเอียด ดังนั้นเราขอดุอาในช่วงโรคระบาดที่อุต้ที่เราเนี่ยเราไมให้ขอที่เราจะขอดุอากูนูดเนี่ยอ um ัลลอฮุมมัลตุฟบิอิบาดิกะอัจมัีโอ้อัลละฮ์้โปรดปราลีดูแลเบาของพระองค์ทั่วโลกเนี่ยให้ดูอย่างละเอียดดูแลเราอย่างละเอียดดูแลให้ดูแลให้ดีที่สุดบางคนบอกว่า แล้วก็อย่างโรคระบาดนี่ถือว่าอัลลอฮฺสุฮาห์นวานละดูแลและปรานีอย่างละเอียดกระั้นหรือใช่ครับแต่เราไม่รู้ก็ถึงบอกว่าปัญญาของเราเนี่อย่ามองข้ามเราใช้ปัญญาในการที่จะเอาประโยชน์หาประโยชน์ให้ตัวเองให้มากที่สุดให้ดีที่สุดมีห น, น้าที่ของเรา ส, ส่วน Allah เลี่ยงอะไรให้เรานี่ยนะแสดงว่าประโยชน์สูงสุดที่ Allah เลี่ยงให้เราเนี่ยอันนี้เรา เราคิดไม่ถึงเรามองเรามองไม่เห็นเราไม่สามารถที่จะล่วงเกินฮห้มาวิทยปัญญาของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาเราไม่สามารถล่วงเกินได้แต่เราสามารถขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาด้วยพระนามของพระองค์ละจน์ละองปล่ย บรรดาผู้ที่ทําให้เฉในบรรดาพระนามของพระองค์เถิดบรรดาผู้ที่เอาพระนามของลัทธินาวดาลไม่ไม่ใช่ถูกที่ถูกทางเช่นพระนามของล l au hu. Au hu y, y ah. l a h เนี่ย Allah ฮะมีคือพระนามของ a l l a าตัดคำว่า Allah แล้วเอา w h เอา w h อย่างเดียวนะแล้วก็มาสิกี่กัน ฮูฮูฮูฮูพี่น้องเคยเห็นไหเออมันเนออิลฮัดชีฮ่วยหนุมีหรือไมุ่ณอานฮูอไม่มีนุอานสมมติว่าไม่มีลลลอิลวมีุอานมีอัลลลอิลฮอิลลฮูฮูนี่มบฮูนี่ับน หูนี่คือสรพนามใครเี่ยมาสร้านีกอรูแล้วอัลลอฮ์สังเหยเราได้ใช้สัพนานรีหูหูหูหูนี่น่อิลาัลวาจรูปลยเด็คนที่เฉคนที่เขะคนนี่หลงไม่ได้ใช้พนานว่าลสุฮาหัวตาละพนานาลสุฮาหัวตาลไม่ได้ใช้ไว้ขี้แล่ะประดับปรดอุ้นี่เมืินี 99้เาพระนามเนี่ยให้มามาทาครบมาเขียนว่้อย่างดีอย่างสวยแต่เราแต่เราไม่เคยดูอาไม่เคยใช้พระนามขอลเาสักอันนึงไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนร้ผิดติดตามเดือนรอมฎอนนะครับจะมีรายการพิเศษเดือนรอมฎอนเกี่ยวกับพระนามของลหานาที่สวยงามบรรดาชาบรรดาชาญานี่ผู้รู้นวัยชรเน้อธทบารียบรอละ จะเปิดในรอมดกพี่น้องก็ศึกษา้วยกันนะครับการศึกษาพระนามมแล้วก็ขอดูอาีพระนามมรดหรือการึกะการอาสิงานมันจะพูดถึงเรื่องการขอดอา์ด้วยพระนามรดกสมฐานอตาเาจะเป็นยังไงแต่คนที่ไปเอาพระนามมกใช้ใช้ในในแวที่ผิดทางไม่ถูกทางอัลลอ์บอกว่าปล่อยเขาเถอะเขาจะไม่ในประโยชน์ไเซอุนมากาุยาแมลุน สยุตยเจ้ันมาแค่ น, นี่ยนะพวกเขานั้นจะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากระทาก็คือสิ่งที่เขาเฉสิ่งที่เขาหลงไปในเรื่องพระนามของเรา سبحانه และกูฏ า, าล่เรามีคําสั่งสอนมาจากอัลลอฮ์เรามีพระนามจะได้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเราควรที่จะอยู่ในหนทางที่จะใกล้ชิดกับทางนั้มากที่สุด แล้วถ้าคนไม่ใช้ล่ะกุรานก็มีพระนามอัลลอฮ์ก็มีรูปแบบในการใช้กุรานใช้พระนามนี่ก็มีแล้วแต่ก็ยังหลงคนเหล่านี้หล่ะก็คือคนที่เลือกที่จะไม่เอาศัจธรรมแต่อัลลอฮ์สุบฮานวาตาละได้ยกย่ง ส, สรรเสริญบรรดาที่เลือกเลือกศัจธรรมที่อยู่ในคาสั่งสอนที่อยู่ในกุรานอวิมมันขลักกนะอายาหนึ่งร้ปสเอดเนี่ย ว่ ن มมั้น خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون แล้วส่วนหนึ ا أ ่งเจ้าพูดเราได้บังเกิดนั้นคือคณะคณะหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาแนะนาด้วยความจริงย่ดูนแบบฮักกีเลเขาจะแนะนาคนอื่นเขาจะแนะนาด้วยความสั์จริงเขาจะไม่บิดเบือนเขาจะเขาจะไม่พูดเท็จ ว่าบิดาญดิรุ่นเขาจะแนะนำเขาจะชี้แนะด้วยความจริงด้วยความสัจจริงและด้วยความจริงนั้นพวกเขาจะปฏิบัติยาดีรุ่นเขาจะปฏิบัติด้วยความจริงโดยเที่ยงธรรมสอดคล้องกับห a ดีษบทหนึ่งบันทึกตัวอิมามบุคลีหละมุสลิมท่านนบิสับอุละฮ์อวยอุสเซลัมบอกว่า لا تزال طائفة من أ م ي ظاهرين على الحق ج م ي ع م من ل ا ه ظاهرين على الحق خ يتم ن الحق سجتهم سجتهم نية ك م سجتهم الحق ن ا ن ك أ و م تانشية ا ن ج و ن เอามาตั้งชื่อตัวเองเอามาตั้งชื่อกลุ่มตัวเองหรือเอามาพูดว่าฉันอยู่ในสัจธรรมฉันเลิกสัจธรรมฉันอันนั้นไม่ได้มาร่วมด้วฉันอยู่ในสัจธรรมนะอันนี้เราต้องเข้าใจให้ดีนะสัจธรรมนี่มันมีคุณสมบัติที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาอะไรได้ตั้งไว้ สัจจธรรมนี้ไม่ชีไม่ช่นามนะอ๋อแค่ขึ้นนามสมมติว่าอ่าุ่มศัจจธรมรมอาศัยนว่าคุณนี่ศัจจธรรมเพราะอคุยตามชื่อตามนามเช่นเดียวกันอัซุนนาเนีุนนาคือแนวทางเมื่อเราขึ้นชื่อสุนนะมามนะัสิดอัซุนนาแสดงว่าเราเป็นุนนาะ เราเรียกว่าอนีคุณนย์หนาแสดงว่าเาพวกนี่ศูนยหนคนอื่นไม่ศูนไม่ใช่ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าการที่เราจะตั้งชื่ออะไรดีๆ น, นะนะมันหมารู้ว่าเราหวังหวังหวังที่จะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เป็นการยึดเนื้อหาของชื่อนั้นๆรวมเอาพักกันเอาแสดงว่า เราไม่สัจธรรมคนอื่นไม่ใช่แนวทังสลับมีเราสลับมีไมคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่เราเราแค่หวังว่าอยู่ในแนวทางและคนอื่นแต่คนอื่นนี่เขาอาจจะดีกว่าเราแวก็อบเราซุาา่นเน้คนอื่นนี่เขาอาจจะซุ่นเน้ามากกว่าเราแต่การที่เราคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของชื่อหนา ม, มีคนเดียวแล้วก็คนอื่นไม่ใช่พูดในทํานองว่า ความถูกต้องหมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวเราเองแล็คนอื่นเนี่ยไม่ใช่อันนี้เนี่ยคือการหลงชัดๆนะครับเราไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่จะให้คะแนนกับตัวเราว่าเรามีสัจธรรมเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งที่จะให้คะแนนเนี่ยก็คือตัวคุณสมบัติที่อัลลอฮสุบฮานวะตานี่ยัน ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในตลอดชีวิตนี้นะครับที่จะไตรตรองตรวจสอบคุณสมบัติที่อัลลอฮ์บอกนี่เรามีหรือเปล่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันตรงกับที่อัลลอฮ์ได้บอกหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะบอกว่าอ๋อแนวทางที่ถูกต้องคืออันนี้แล้วก็เรานี่คือแนวที่ถูกต้องแล้วกับคนอื่นไม่ใช่บางทีคนก็ไม่พูดนะครับ แต่เขาจะพูดดูคนณอื่นนี่เป็นอย่างคนณอื่ น, นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่พอถามเขาว่าอแล้วก็ใครที่ใช่ก็เสียหม่นว่าตัวเองกำลังบอกว่าถ้าคนอื่นทุกคนนี่ไม่ใช่ก็แม้จะมีตัวตัวฉันคนเดียวที่ใช่ใช่ไมคนอื่นนี่นมีดาคนอื่นนี่ล้มบิดเอาท่านช่วยบอกหนะ่อยแล้วใครสุนนะ <laughs> น้ําท่วมปากแล้วจะบอกว่าอ๋อฉันเนี่ยสุนนะ อะไรคนอื่นเนี่ยมีดาหมดเลยนะแล้วก็ฉันในสุนนะจะตรสอบองไงไม่มีนะครับใครไม่มีนะบันดาอุลามาตลอดประสิาตรไม่มีใครบอกว่าฉันนีนี่คือฉันนี่คือสุนแล้วคนอืน่น ม, มีใแบบนี้ทุกคนนี่นะครับจะบอกว่าหวังว่าหวังว่าฉันหัวนี่นะที่ถูกต้องแต่ฉันก็ยังบุกคร่อง ฉันก็เกรงกลัวว่าฉันเนี่ยไม่ถูกต้องฉันก็เกรงกลัวไม่มีใครการันตีไม่มีใครกล้าการันตีตัวเองแล้วก็ยังเอาดีให้คนอื่นด้วยนะ อ, อคนอื่นเขาอาจจะถูกกว่าฉันก็ได้นมะมีความเป็นไปได้นะนี่นี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของคนที่แฟ์คนที่ยุติธรรมเด็กว่าเราบอกว่าวาบามิยาบิลูล่น พวกเขาปฏิบัติโดยเที่ยงธรรมปฏิบัติด้วยความด้วยความจริงมีนะโดยเที่ยงธรรมเขาแฟงไงเขายุติธรรมไงแต่สำหรับคนที่ปฏิเสธล่ะคนที่ปฏิเสธนี่มันจะช่วยยังไงอัลลอฮฺบอกว่าจะเปิมเวลาคนละคนวัาล้วี่นักับบูบีอายตินะสันสต์ริจูมิลพิษุลาอามุนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้น เราจะจัดการแก่พวกเขาเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเขาไม่รู้ว่าการหนุงอย่างซึ่งเชิงนี่มันจะมาเมื่อไหร่ก็เหมือนคนนี่จะไปสมุดปากกาแล้วก็เห็นลูกศรไปสมุดปากกาแล้วก็ลูกศนไปทุ่สุนุโลกการที่เลี้ยวไปทิุ่นโลกเนี่ยเขา ย, ยังพอจะอยูเทินได้นะ อยู่เทินแล้วก็กลับไปสมุดประการนะอาการที่เขาไปแล้วก็ <c oughs> ยังมีช่วงที่จะอยู่เทินแล้วก็ยังไม่อยู่เทินยังไม่อยู turn, ่เทินมีนะตัวเองก็ยังหลงกับตัวเองหลงกับความรู้กับตัวเองอันนี้หลงเป็นขั้นตอนผ่านไปแล้วอยู่เทินผ่านไปลขั้นตอนหนึ่งกลับได้ไม่กลับดื้อก็ยังไปอีก ก็ยังมีนูกศรที่บอกว่าอยู่เท่านล้วไปสมุดปาการเอาเส้นทางของเราก็ไม่ยอมอยู่เทนอีกก็ยังไปอีกนี่แหอีกขั้นตอนหนึ่งละซาเสตดรจุมมินไฮสุไลอาลามมนุษย์มนุษย์เราในโลกนี้เนี่ยเจอมาเยอะแล้วนะครับย่ในสัตว์นี่ โรคระ บ, บาดโคโรนามีป่าผ่านมาหลายขั้นตอนไหนจะซาสไหนจะไหนจะแมสไหนจะอะไรต่อไม่อะไรไขวัดนี่นี่แต่ละพันนี่นะครับผ่านมาเยอ ะ, ะแล้วอะแล้วก็ไม่ไม่มีบทเรียนเลยจนมาบทเรียนที่ใหญ่หลวงโควิดสิบาโอ้ไอ้เจ้าเจ้าโควิดสิเกเออ เจ้าควดสิบก้า 19, เอ้ยตัวบทเรียนใหญ่หลวงของมนุษยชาติในโลกนี้ทั้งหมดเลยที่มอประวินวให้เราได้ได้ใครครวนได้ไตรตรองเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนแต่เราไม่ยอมจนสุดท้ายนี่ต้องมาถึงบททดสอบที่ใหญ่หลวงแล้วเราจะเอาอยัางไง แล้วเราจะเลือกอะไรโอ้ประเทศไทยโอ้คนไทยที่เรารักทุกคนทั้งหลายอลอะประวินให้คนไทยเนี่ยได้มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ได้มีชีวิตที่งดงามหลายประการชาวโลกนิยชาคนไทยเหลือเกิน แต่เราก็ไม่ยอมที่จะปรับปรุงวิถีชีวิตของเราในโรงพยาบาลเมีเราไปไปเจอคนอยู่ในไอซไปเจอหมอเป็นอะไรเนี่ยข อ, อตับแข็งและคนนี้เป็นอะไรอะ่ะไตาวายเพราะอะไรอะ่ะกินเหล้าเจอกันไ ม, ม่เยอะแล้วงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์เนี่ยอีให้อ่าน มีให้เตือนมานานแล้วสุดท้ายนี่ต้องมีไวรัสโคโรนาไอเจ้าโควิดสิบเก้าตัวนี้เนี่ยที่จะให้ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศเนี่ยห้ามขายเหล้าแต่เราก็ยังไม่มด้คิดนะยังไม่มด้คิดนะดู ด, นะ ด, ดูนะครับหลังโคโรนาเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อ เราจะเอายังไงต่อแต่คงจะมีงานวิจัยให้เราได้เห็นนะครับว่าการไม่กินเหล้า ม, มันไม่มีเมาจะได้ขั บ, นะขบรถนะไม่มีให้ขับด้วยนะครับให้อยู่บ้านเอ็กซต่กรุนนี้ยังพอขับอนะ่ะไม่มีเหล้าก็ให้พอขับไอ้นี่ไม่กินเหล้าแนละ้วก็ไม่ให้ขับด้วยเอาสิเอาสิมันจะไปถึงไหนแล้วคนไทยเออ เราจะเราจะเริ่มไขค ร, ครววชีวิตของเราเรือยองพิจารณาตัวเองให้ดีคนไทยนี่นะครับถ้าไม่เที่ยวกลางคืนถ้าไม่กินเหล้าถ้าไม่เล่นการพนันเราน่าจะเป็นประชากรที่รวยที่สุดในโลกเราน่าจะเป็นสังคมที่มั่งคั่งที่สุดในโลก แต่ตังของเรานี่หายไปกับใครหายไปกับสิ่งมัน ส, สิ่งมันเมาการพ น, นันรถแท็ธธี่คนไทยเอ้ยเราถูกเตือนเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งมาบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ควรที่จะเอาบททดสอบนี้มาไตรตรองให้ดีและคิดว่า คาว่าที่ผู้นําประเทศที่พวกเราเดี๋ยวนี้ใชเป็นสโลแกนเราจะผ่านวิกฤตด้วยกันผ่านยังไงเนี่ยผ่านวิกฤตนี่หมาคือผ่านโรคระบาดแล้วก็ตัดไปสู่พอโควิดหน้าพ้นไปแล้วมีแต่การพนันกับเหมือนเดิมเล่าก็กินเหมือนเดิมรูดตอรี่ก็เหมือนเดิมเล่กันไปเล่กันมาเที่ยวกลางคืนก็เหมือนเดิมก็แค่นั้น นี่ก็หมายถึงว่าผ่านบนแล้วก็กัดเหมือนเดิมหรือเราจะเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับเราต้องเฝ้าดูระหวังว่าคนไทยจะมีปัญญาเพียงพอที่จะผ่านวิกฤตนี้ด้วยด้วยด้วยสติด้วยวิชาด้วยปัญญาระหวังว่านักศาสนาทุกศาสนาจะออกมาเตือนสติชาวไทยว่าบททดสอบนี้เป็นบททดสอบใหญ่หลวงจริงๆพวกเราต้องพิจารณา มันมันเป็นการปฏิรูปโดยบังคับกี่รัฐบาลนะที่เขาบอกว่าจะปฏิรูปอันนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะปฏิรูปอย่างชัดเจนนะครับโด๋เราจะมีกันสักู้อนะครับอายุหนึ่งรอยแปสิบสองเนี่ยมันบอกว่าจะเปลวินเวลาเปลวินเวลาให้เขาจัดจัดการเขานี่เป็นขั้นตอนอย่างที่ผมได้อธิบายวันนี้ บททดสอบนี้มาเป็นขั้นตอนให้เราไตรตรองให้เราได้ตรวจสอบตัวเองพอไม่ตรวจสอบตัวเองมันก็จะมีบททดสอบที่ใหญ่หลวงมันให้สุราละมุนดูที่พวกเขาไม่รู้ไม่รู้ตัวก็มีคนนี่ไม่ยอมที่จะใช้สมองพิจารณาอุลลีเลห์อินนักเดีเมตีนและข้าพูนเวลาเวลาให้เขาให้โอกาส ที่น้อเคยเห็นไม่คนกินเหล้าขวดเดียรตายมีไหมหรือสุบุหีมวนเดียตายไม่มีแต่สูบไปทีละมวนทีละมวนนะพอสูบบียรล้านี่ก็เริ่มมีไอละอันนี้นี่เนี่ยอัลลอฮฺประวินเะลาแล้วจะส่งสัญญาให้รับเขาจะได้ตรวจสอบเขาจะได้เขาจะเขาจะได้เขาจะได้ใช้สมองในการพิจารณาตัวเองแต่ถ้าหากว่าเรานึกว่าโอ ของเรานี quantity, dying, ่เราสู้ได้เรามีแผนเราจัดการไม่หมดอย่างไรเราก็เราก็ผ่านได้แต่เราไม่มองว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละต้องการให้เราอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอัลลอฮฺจึงบอกว่าอินนักัยดีมาตีนอินนักัยดีมาตีนแท้จริงมันควรที่จะเขียนว่า แผนการของฉันของอัลลอฮ์เนี่ยแข็งแรงมั่นคงกว่าแต่อันนี้เขาอธิบายเขาบอกว่าแท้จริงอุบายของข้าอุบายเนี่ยมันมันจะไปทางลดนิดหนึง่งที่จริงเนี่ยมสุภาโนอาดาลไม่ประสงค์เลยนะครับที่จะวางแผนทําลายใครต่อมามีแผนการที่จะให้เราได้พิิพิจารณาบททดสอบ ให้เราได้พิิจพิจารณาคําสั่งสอนเพื่อบรรลุสู่ทางนําที่ดีงาม น, นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากเราแต่ถ้าใช้คํำว่าแท้จริงอุบายของฉันอุบายนี่มันเหมือนเออมันมีหนะุ่มอ่ะคุดหนุ่มวัวอย่าดูเด็กแกไปนี่เด็กแกจะหลงแม่แกแกหลงแมนะ่อันนี้เไม่ต้องการนี้เราหลงนะไม่ต้องไหนเราตกหลุมนะ ดังนั้ดีกว่าคําว่าอุบายเนี่ยเราใช้คาว่าแท้จริงแผนการของข่าของอัมโมเนี่ยย่ำ ม, มั่นคงกว่าย่อมแข็งแรงกว่าทีานี้คนที่เขาไม่อยากไม่อยากจะพิจารณาคําสั่งสอนไม่อยากจะใช้สมองในการไตรตรองแต่ นักจะเอาดีใส่ตัวเองแล้วก็เอาชั่วโยนให้คนอื่นสมัยท่านนบีสัลต์ละมาหวอะไรหรือสั่นเนชาวกุเริชาวมะกาเนี่เขาเขานี่เป็นคนอาหรับเขาเข้าใจภาษาอาหรับเขารู้เรื่องภาษาอาหรับเอาแล้วก็คุณอ่านที่เป็นภาษาอาหรับที่เป็นสำมานชั้นสูงมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม เขาก็อ่านเขาก็ฟังเขาก็รู้นะว่าคุณอ่า น, นมีบทเรียนที่สุดยอดเพราะเขาก็เป็นเป็นคนอาหรับอมตะท้าทายเ้าเลยบอกว่าถ้าบอกเธอบอกเองแจวจริง น, น, นะะลองร่างท้ายไทายมุฮัมมัดในร่างเหมือนคุณอ่านนี่ทําได้ไหมเขาก็รู้ว่าเขาทำไม่ได้แต่เอาดีใส่ตัวเองเราแจวเราจริงอะไรก็เลยมีแหะคนบ้าไอ้ที่มุฮัมมัดไม่ไเป็นคนบ้า اللّه لا يباقب خواء ولم يتفكروا أ ولم يتفكروا ما بصاحبيهم من جنة. เดี๋สับนี่สของานมบจนกระทั่งนีมุมัได้ชาว่าอัศดกุลอามีนคนที่พูดจริงสัจะคนไี่มีอมานะในมะกาทั้งหมดเนี่ยจะหาคนไี่มีครโกหกแม้แต่ครั้งเดียวในมะกเนี่ยชาวมะกาทั้งหมดเนี่ยนี่คนนี้คนเดียวมัในมะกานีมีใครอยากจะฝากของกับใครอ่ะแลวเขาจะรักษาเอาอย่างนี้เขาบอกว่านี่ไปฝากกับมฮัมมัดอัศดกุลอามีน เป็นมิจฉาที่เขารู้ดีว่าคุณธรรมของมุฮัมมัดเนี่ยสมองของมุฮัมมัดเนี่ยปัญญาของท่านมูฮัมมัดเนี่ยสูงขนาดไหนพวกเจ้าไม่ใช่สมองของพวกเจ้าใคยครวญบ้างหรือว่ามิจฉาทิคของพวกเจ้าเนี่ยไม่มีความบ้าใดๆแม่บิสซาให้บิคุบไม่คนบ้าเป็นไปไม่ได้ทมูฮัมมัดจะเป็นคนบ้า เอาดีใสตตัวเองเอาไรใส่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมบุลลาซลลัทไมทไงไม่อินหัวอินลานาีรุนมูบีนไม่พิวเสหายของพวกเขานัน้นหาได้มีความบ้าใดๆไม่ไม่ไม่ไมไมไมใช่คนบ้าอินหนัวเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ตักเตือนนาีรุนอินหัวอินลานาีรุน เป็นผู้ตักเตือนที่ชัดแจ้งมูดีนุนคนหนึง่งเป็นผู้ตักเตือนที่ชัดแจ้งคนหนึง่งเท่านั้นอินหัวอินเละนะฮีรุ ม, มูบีนมุฮัมมัดเนี่ยไม่เป็นคนบา้าจะเป็นคนหนึ่งเทือแลส่วนนาวแตเราส่ง ม, มาตักเตือนพวกท่านโดยที่พวกท่านก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นดับีเนี่ยใช้ชีวิตกับมูฮัมหมัดใช้ชีวิตกับคนคนนีน้คนเดียวนะสี่สิบปี ตรวสอบชีว่าประวัติของเขาแล้วก็รู้ปัญญาของนบีมุฮัมมัดเป็นยังไงจนกระทั่งคนรวยในมักกานี่เวลาเดินทางไปไหนเนี่ยอยากจะฝากฝากทรัพย์สินสะต้อสตะกรนไม่มีธนาคารไม่นี่ยจะฝากทรัพย์สินหรืฝากกับใครอย่างมุฮัมมัดเกิดเหตุการณ์อะไรอยากจ่อยากจะถามว่าคอยจริงจมันเป็นยังไงกลัวจะถามคนนู้น ตอนไหนถามคนนี و و. ้ไอ้ขี้โกหกไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นุญไม่จริงถามใครเนี่ยมุฮัมมัดอาศัดัคเอมีนีไม่ใช่ชาญดีอลละท่านนบีมุฮัมมัดนี่ชาญดีชาวมัตต์แห่กทานนบีเองแล้วคนคนนี้ไนี่อยู่ีๆจะเป็นคนบ้าได้ไงพวกเจ้าอะมต่ฝกการูพวกเจ้าไม่เคยควรกระนั้นนรื อ้าีค่อยครวญเพื่อเพื่อให้รู้ว่ามุฮัมมัดที่เป็นผู้ ต, ตักเตือนนะเอาคุตัานมาให้เรานะเป็นไปไม่นนได้ที่น บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยจะคดโกงจะเอาคําพูดของมนุษย์เนี่ยแลว้วก็มาบิดเบือนบอกว่าเป็นขอ้ออ่าเนเป็นไปไม่นนได้จะคดโกงได้ไงแสดงว่าการค่อยครวญในตัวท่า น, น บ, บีมุฮัมมัดจะให้เราที่สูว่าคุตัานนี่นะ่ะเป็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เอาสมมติว่า คุณอ่านนี่เรายังไม่อ่านนะยังไม่รู้นะเราจะใช้ใช้สมองใครควรใครควรแนวอื่นสมมุติว่าคนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านคุณอ่านอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าอวัลลัมยังดูรู้ในมลโคติสภาวะที่อับไม่ต้องเอาคุณอ่านเอาอะไรอะไม่บอกเขาไม่ไม่มองดูในอัมนจใคร่ครวญน่ยมองดูก็คือใครควรเหมือนกันน่ะ ในอำนาจทั้งหลายแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินว่ามาข้อลกันน้อยหูมีใช่อินและมนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งใดทั้งหลายเนี่ยที่อัลลอฮ์ไม่ทรงบังเกิดขึ้นมาดอกหรือเขาไม่เคยควรไม่ดีบูในชั้นฟ้าในแผ่นดินในสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่สมองคิดบ้างหรือ วันโลกนี้เนี่ยมีพระปู่อภิบานไหมมีพระเจ้าไหมและพระเจ้าต้องการอะไรจากเราอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็เราใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยแล้วเราเห็นคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็ถึงแก่กรรมเขาก็ตายกันไปแต่เกิดกันมาตายกันไปเกิดกันมามันมีเป้าหมายในอนาคตอะไรที่เราจะต้องคิดไหม ว่าอันงเศาะอาจ يكون قد قتر بأجلهم ลต ات اعت بن بدايو ะกำหนดเวลาแห่งความตายของพวกเขานั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาไม่ไมคิดบ้างหรือฟะ بأي حديث بعده يؤمنون และถ้อยคำใดเล่าที่พวกเขาจะศรัทธา ที่พวกเขาจะศรัทธากันหนังจากอัลกุรอานถ้าไม่มีอัลกุรอานถ้าสมองที่อัลลอฮุสซานาฮุวาดะล่ะใครใช้ใครครวรไตรตรองตรวจสอบตัวสอบท่านนาบีมุฮัมมัดใครครวสรสรรพสิ่งที่อัลละร้างมาทั้งหมดมีเพื่อให้เราได้บรรลุอะไรอ่ะให้เราได้ตรัสรู้ว่าตกลงโลกนี้นมันไม่ได้มาโดยบังเอิญ โลกนี้ต้องมีพระเจ้าและพระเจ้าต้องการอะไรจากเราแล้วเราเกิดมาแล้วตายไปแล้วคนก่อนแ้่เราเนี่ยที่เขาเกิดมาแล้วก็ตายไปเขาไปไหนละ่ะคนที่ตายแล้วก็ไปอยู่ในหลุมศพคนที่ถูกเผาไปหรือไปไหนก็ตามเนี่ยเขาไปอยู่ไหนละ่ะเราต้องคิดไหมและถ้าไม่มีกุรอ่านที่จะให้เราได้คิดแบบนี้เนี่ยเราจะศรัทธาในคำของใครอ่ะถ้อยคาของใครอ่ะ มันมีเหรอมันมีเหรอปัจฉามันมีวิชาไหนอ่ะที่สอนเราให้รู้จักพระเจ้ามากกว่าคุตลานหรือไม่มีเพราะนี่คือคุตลานคือคําสอนที่มาจากเจ้าของโลกจักรวาล น, นี้เจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยผู้บังเกิดสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นอัลลอฮฺบอกว่าไม่ยุบลิลลัลลาหฺฟะลาฮัดีนลา แ่าจะรู้มีตุยานิมีอามหูผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้หลงไปแล้วก็ไม่มีผู้แนะนําได้ไม่มีใครให้ทางนําได้แต่เราปล่อยให้คนหลงพองเขาเลือกทางหลงของเขาเนี่ยก็ยังมีใครช่วยได้สําหรับเขาว่าจะรู้มีตุยานิมีอามูและพระองค์จะทรงปล่อยพวกเขาให้ไรเหะระี้ยเรื่อนไรเ ห, ะระเหะระี้ยเรื่อน อยู่ในการละเมิดของพวกเขาเนื่องจากว่าให้อัลลอ์ให้คุรรอ่านมาแล้วให้คาสั่งสอนมาแล้วแล้วก็สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยอัลล์เรียกร้องให้เราได้ตรวจสอบให้ใครครัวแล้วแต่เราก็ไม่เอาเราเลือกทางหลงหือโลกนี้เนี่ยมันมาเองโดยบังเอิญโลกนี้ไม่มีพระเจ้าหรอกเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยเกิดกันมาตายกันไปแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยฮะ ถ้าเราเลือดที่สมองของเราจะหยุดแค่นี้นไหมลระบอกว่ามันช่วยไม่ได้แล้วล่ะเพราะองค์ก็ทรงปล่อยพวกเขาให้ระเหรอ้ร้อนแต่ว่าระเหรอ้ร้อนนี่ก็หมายถึงว่าไม่ใส่ใจอะ่ะมีหลักฐานอะไรมากมายที่เราส่งมาจะได้ไตรตรองจะได้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่พี่นั่งสังเกตไหมว่าแต่และอายาใ น, นตอนท้ายของชีวอาร อ, อล Allah ลนี่กร้องเชิญชวนให้เรา อย่าทำเหมือนประชาชนยุค ก, ก่อนอลัลลอฮฺส่งนบีส่งคํำพีแต่เขาเนี่ยล็อกสมองล็อกหัวใจไม่ยอมที่จะเปิดใจที่จะรับสัจธรรมที่จะรับคําสั่งสอนรับรับทางนําจากอาลัลลอฮฺสวาเนหัวตาลเาลยอัลลอฮฺต้องการให้เราเปิดใจเห็ในไ้ว่าถ้ า, ถาเธอขาไม่อห็นเธอเขาไม่เอาละ่ะก็จะไระเหรอร้อนก็คืออยู่ในสภาพ ในสภาพบุญไม่เปื่อยที่ไม่ใส่ใจอะไรเหรอว่ามันก็มีคนที่อยู่อย่างนั้นน่ะไม่ไม่สนใจอ่ะอะไรเป็นอะไรนะครับนะครับซึ่งตอนท้ายเนี่ย Allah s u b h a n a h วะ a t a ก็ได้สอนให้เราได้คำนึงถึงเรื่องสำคัญที่สุดที่บรรดานบลลอราสูลนี้มาเตือนต้นก็คือวันเตียมะ ที่าเตรียมนมนี๋ยวเราได้เตรียมส่วนเกียวมาส่วนเกียวมันจะตรศัเอสอนตาอานิสเวาทำไพวกเขามวันโอสานวันปรยโลกนี่ก็จะมาถามว่ามีเมื่อไรแล้วเมื่อไรลมีจถามไมมีเมื่อไรแล้วเมื่อไรลไม่ยอมศรัทธาแต่แค่ถามเมื่อเมื่ไเมื่อไร่อสอัลตาิสเที่อยนมุพวกเขาจะถามเจ้าถึงยามโอสารเมื่อไรอะวันเกียวมันนี่มันเมื่อไรนั้น จะถามท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตรีอารอุสานวันเกียร์มาหรือว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันเกียร์ไม่จะเกิดขึ้นอุลโอูบุฮัมมัดจงตอบว่าจงกล่าวเถิดบุหัมัดอินนามัยลูฮะอินดารบีแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระเจ้าของฉันเท่านั้นลลลลายฮวัอู ไม่มีใครจะเผยมันให้ทราบสำหรับเวลาของมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นไม่มีใครรู้และไม่มีใครสามารถเผยมันได้นอกจากอัลลอฮ์มนต์หนักอึ้งอยู่ในบรรดาชน้าลบับผนดินแต่คือหนักอึ้งตรงที่ว่าอัลลอ์ปกปิดและไม่มีใครสามารถ จะเส้ ك, ูนก็ถ้าคุณอัดในสวรรค์และหรือินคือหนักอึ้งไม่ต้งว่านี่จะรูอัลลอฮปกติมนจะมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่หนักอิ่งทำไมอะเพราะวันเกียรมาถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่บันดามาลัยก็กลัวชันฟ้าทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายก็กลัวเพราะมันคือการพินาศ เอวสารเนี س س ่ยสิ้นสุดโครนจิน่นะวันกี่มากนี่็คือความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเราก็บนริงหนักอึงนะสักูณ์ในสวรรค์และบนโลกมันหนักอึ้งถูกปกปิดนะอนบี้มันได้ชิญฟ้าและแผ่นดิน มันจะไม่มายัางพวกเจ้าและแต่ที่กลุ่มนอกจากโดยกรทันหันโดยฉับพลันวันเที่ยงนี้มันจะมันจะไม่มีไม่มีวันเวลาชัดเจนนะอ่าวันวันเดือนนี้เวลานี้ไม่นะจะมาโดยฉับพลันโดยกรทันหันอิสลูนในกาแกรนใกาฮัฟี่อยู่นะฮาพวกเขา จะถามเจ้ากันประเด็นว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นดีถามท่านนบีเหมือนว่าท่านนบีจะรู้แต่ละ سبحانه าละ تعالى บอกว่าวลาคุณอินนามะอัลหมูฮะอันดับลอฮิวลาคินนะกรานนาสีลาอัลละมูนจงกล่าวเถิดแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้ว่ามนุษย์ส่วนนอกไม่รู้ไม่รู้ ท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิสลมก็ไม่รู้ทนนบีท่านนบีถูกสังเกว่าไม่รู้แมื่ตถึงอนาคตอนกลตเนี่ยก็ไม่รู้แล้ววันทมาอนไกลเนี่ยจะรู้ยังไงขุนละอัมลิกุลินศีน ف นันวาบรรจงกล่าวเถิดโอ้มฮัมมัดว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะครอบครองประโยชน์ใดๆก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับอนาคตเนี่ยเหียน่สิ่งลึกลับเนี่ย สิ่งที่พ้นวิสัยของฉันไลยฉันไม่สามารถรู้ฉันไม่มีอนมานาจที่จะครอบครองประโยชน์ดใดๆและโทษใดๆไว้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ตัวของฉันได้ไม่มีไม่สามารถที่จะที่จะจับจองประโยชน์ที่จะหลีกเลี่ยงจากโทษ หลีกเลี่ยงจากอันตรายทานนบีไม่สามารถทำได้ว่าเราคุณตุอาลามุนไหเบมากจากสิ่งที่อัลลอฮทงประสงค์เท่านั้นและหากฉันเป็นผู้ที่รู้สิ่งเร้นลับแล้วว่าเราคุณตุอาลามุนไหเบถฉันรู้สิ่งร้นลับเนี่ยแล้วจะสรุมิ่งขยรแน่นอนฉันกคยย้ำอบโกยสิ่งที่ดีไว้มากมายแล้วถ้านบีรู้ ว่าศัตรูจะมาจะในจะากทิศทางนี้นบีกวางแผนสงครามของท่านเนี่ยอย่างดีเยี่ยมสิแต่อ l l a h subhanahu wa taala แม้กระทั่งท่านบีเองนะก็ไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเร้นลับเี่กัรื่องลี้เกี่ยวับเรือนาคตอันนี้เป็นการยืนยันนะว่าท่านนบีไม่รู้นะครับวันเกี่ยมั่นนบีไม่รู้พราะเป็นสิ่งเร้นลับอนาคตอันใกล้นบีก็ไม่รู้เช่นเดียวกันวมาเมสเซนีสู เลขความชั่วร้ายก็ย่อมไม่ต้องฉันได้แม้แต่ต้อนนบีไม่ได้อินอันอิลลันดีรุนและบัชีรุนและก็มิยุมินูนฉันมิใช่ใครอื่นนอกจากผู้ตักเตือนและผู้ประกาศข่าวดีแก่กลุ่มชนที่ศรัทธาเท่านั้นหน้าที่ของนบีตักเตือนเอาองค์เกียร์มาใกล้มาแล้วเอาคําสอนเอาคําสั่งสอนมาบอกพวกเราให้ ใครครวนและระวังตัวและเตรียมตัวนี่คือนี่คือหน้าที่ของท่านนาบีนบีจะไม่บอกว่าอาวันแกอไม่อีกสองอาทิตย์มาแล้วนะให้เตรียมตัวแล้วนะนบีไม่ไม่รู้ตัวนบีไม่รู้เราเองก็ไม่สามารถที่จะเดาได้นีล่าสุดนี่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าการพยากรณ์อากาศนะถึงจะมีความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องทิศทางของพายุทิศทางความชื้น อ, อุณหภูมิทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่สามารถเดาแค่เดานะพากรอากาศหลายวันได้คนวนอ่ะควนก็ไม่ละเอียด ม, มีความรู้ขนาดไหนมี ะชาการระดับไหนแต่ยังไม่สามารถคำนวณยังไม่สามารถพยากรณ์อย่างละเอียดตามวิชาที่ที่เขามีอย่างละเอียดเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งรึกลับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาและได้ปกปิดไว้หน้าที่ของเราต้องหันมาดูตัวเราพร้อมหรือเปล่าเราพร้อม เราพร้อมที่จะอยู่ในสภาพที่อัลลอฮพอพระทัยไหมคุ ณ, ณธรรมที่มีในคำสั่งสอนนี่เราได้ปฏิบัติไหมความเชื่อที่อัลลอฮได้ตักเตอือนนี่เราห่างไกลไหมและสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดคนไทยประเทศไทยที่รักของเรา เรารู้สิ่งชั่วร้ายนี่มันคืออะไรเรารู้สิ่งดีงามนี่มันคืออะไรเราพร้อมไม่ยังที่จะเอาสิ่งดีงามนี่มาใส่ตัวเรามาใช้ในบ้านเมืองในประเทศชาติของเราเราพร้อมรม่ยังที่จะละเวน้นที่จะต่อต้านที่จะละทิ้งสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายถ้าเราพร้อมแล้ว แน่นอนนะครับจะโควิดจะโคโรนาจะโรคระบาดจะอะไรก็ตามเรารอดแน่นอนเพราะเราพร้อมถึงจะมีวันเกียรมาจะมีวันโอสานมีวันประโลกโลกจะผินาแต่เราพร้อมเรามีคุณธรรมในตัวเรามีศักยภาพในตัวถึงเวลาแล้วครับที่มนุษย์ โลกใบนี้จะต้องใช้สมองเรามีสมองที่จะคิดวัคซีนเรามีสมองที่จะค้นคิดยารักษาโรคแต่เราจะไม่มีสมองที่จะไตร่ตรองว่าโรคอีไวรัสนี้มันมาเพราะอะไรสมองนี้ไม่ควรที่จะเป็นสมองที่มีประโยชน์สําหรับมนุษย์ซัมมัลลอห์อัลล น, านาบีอัมุฮัมมัด وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.